ปธมะกาทายถะวันนาพันานาความแห่งพระคาถาที่หนึ่งข้อสิบห้าพระปู้มีพระภาคเจ้าอันเทพบุตรนั้นทูลถามอย่างนี้แล้วเมื่อจะทรงวิสัชนาปัญหานั้นได้ตรัสสิบพระคาถาอันแสดงมงคล38ประการมีว่า อาเซวนาจบาลานังเป็นต้นบรรดาพระคาถาเหล่านั้นข้าพเจ้าจะกล่าวเนื้อความในพระคาถาที่หนึ่งก่อน